16. เอกธรรมบาลีบาลีว่าด้วยทำอันเป็นเอกหนึ่งปฐมวักหมวดที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำอันเป็นเอกที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับเพื่อสงบประงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ เพื่อนิพพานธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือพุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าธรรมอันเป็นเอกนี้แหลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรมละถึงสังคานุสติการรลึกถึงพระสงฆ์สีลานุสติการระลึกถึงศีลจาคานุสติ การระลึกถึงการบริจาคเทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาอาณาปานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกมรณสติการระลึกถึงความตายกายคตาสติสติอนันเป็นไปในกายอุปสมานุสติการระลึกถึงธรรมอันเป็นที่สงบธรรมอันเป็นเอกนี้แหละที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว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 ที่เป็นเหตุให้อกุิสมุธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเหมือนสัมมาทิฏฐินี้เมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิอกุิสมุธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป 5. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้มิชฌาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น เหมือนอยโยนิโสมานสสการเมื่อมานสสการ Stanley, โดยไม่แยบขายมิชาท it ิฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น 6. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้สัมมาทิทิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญยิ่งขึ้นเหมือนโยนิโสมนสัการเมื่อมนสัสการโดยแยบคาย สัมมาทิฐิที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เจริญยิ่งขึ้น 7. เราไม่เห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เหล่าสัตว์หลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนมิจฉาทิฐินี้เหล่าสัตว์ที่ประกอบด้วยมิจฉาทิฐิหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรก 8. เราไม่เห็นทำอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้เหล่าสัตว์หลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เหมือนสัมมาทิฏฐินี้เหล่าสัตว์ที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 9. กยายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิวจีกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิ มโนกรรมที่เถือปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทม ท, ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจไม่เรื้อกูลเป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นเลวซาม กายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฐิละถึงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความเห็นเลวสามเปรียบเหมือนเมล็ดเสดาเมล็ดบวบขมหรือเมล็ดน้ำเต้าขมที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้นรถดินและรถน้ำที่มันดูดซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุไร เพรา ะ, มะเมล็ดเสดาวเป็นต้นนั้นเลวฉะนั้น 10. กายกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิวจัจจกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิมโนกรรมที่เถอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแก่ทิฏฐิเจตนาความปรารถนาความตั้งใจและสังขารทั้งหลายของบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิ ทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเกลือกูลเป็นสุขข้อน้ำเพราะเหตุไรเพราะความเห็นดีกายกรรมที่เธอปฏิบัติให้บริบูรณ์ตามสมควรแกท่ทิฏฐิละถึงข้อน้ำเพราะเหตุไรเพราะความเห็นดีเปรียบเหมือนพันธุ์อ้อยพันุ์ข้าวสาลีหรือเมล็ดจันที่บุคคลเพาะไว้ในดินชุ่มชื้น รถดินและรถน้ำที่มันดูซับเอาไว้ทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่าอร่อยน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพันอ้อยเป็นต้นนั้นดีฉะนั้นทุติยวักจบ 16. เอกธรรมบาลี 3. ตติยวัคหมวดที่ส 1. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย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 สบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกคือใครคือบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตบุคคลนั้นทําให้คนหมู่มากออกจากกสัตยธรรมให้ตั้งอยู่ในสัตยธรรม บุคคลผู้เป็นเอกนี้แลเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกือ้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 3. เราไม่เห็นทำเอื่นแม้อย่างหนึ่งที่มีโทษมากเหมือนมิชชาทิฐินี้โทษทั้งหลายมีมิชชาทิฐิเป็นอย่างยิ่ง 4. เราไม่เห็นบุคคลอื่นแม่คนเดียว ที่ปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนโมฆะบุรุษชื่อว่ามคคลินี้โมคะบุรุษชื่อมคคลิเกิดขึ้นในโลกเป็นเหมือนรอบที่ดักมนุษย์เพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์เพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาแก่สัตว์เป็นอันมาก เปรยเหมือนบุคคลดักลอบไว้ที่ปากอ่าวเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกเพื่อความเสื่อมเพื่อความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากฉะนั้น 5. ผู้ชักชวนผู้ถูกชักชวนผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวนในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทําที่กล่าวไว้ไม่ดี ผู้ชักชวนผู้ถูกชักชวนผู้ถูกชักชวนแล้วปฏิบัติตามคำชักชวนในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีคนทั้งหมดนั้นย่อมประสบบุญเป็นอันมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทาที่กล่าวไว้ดีเจ็ดในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีทายกผู้ให้พึงรู้จักประมาณปฏิคาหกผู้รับไม่จาต้องรู้ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะทำที่กล่าวไว้ไม่ดี 8. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีปฏิคาหกพึงรู้จักประมาณทายกไม่จำต้องรู้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำที่กล่าวไว้ดี 9. ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้ปรารรความเพียรย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำที่กล่าวไว้ไม่ดี10ในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดี ผู้เกียรครานย่อมอยู่เป็นทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดี1ิบเอ็ดในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ไม่ดีผู้เกียรครานย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธําที่กล่าวไว้ไม่ดี1ิบสองในธรรมวินัยที่กล่าวไว้ดีผู้ปรารบความเพียรย่อมอยู่เป็นสุขข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทรที่กล่าวไว้ดี 13. คูดอุจาระแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นแม้ฉันใดพบแม้เพียงเล็กน้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่สรรเสริญโดยที่สุดแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียว 14. มูดปัสสาวะแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นละถึงน้ำลายแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นน้ำหนองแม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นเลือด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 เอกธรรมบาลี 4. จะตุทะวัคหมวดที่สี่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในชมพูทวีปนี้สวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมจะโบกขอรณีอันน่ารื่นรมมีจํานวนน้อยนักส่วนสถานที่ที่เป็นที่ดอนที่ลุ่มที่มีน้ำหลาก ที่มีตอไม้และน้ำที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ำมีจำนวนมากกว่าแม้ฉันใดสัตว์ที่เกิดบนบกมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่เกิดในน้ำมีจำนวนมากกว่าชันนั้นเหมือนกันแลสองสัตว์ที่กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีมจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไปเกิดในกำเนิด อ, อื่นนอกจากมนุษย์มีจานวนมากกว่าสัตว์ที่กลับมาเกิดในมชิมะชนบทมีจานวนน้อย ส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตะชนบทในหมู่ชาวมีลักษะผู้โง่เขลามีจํานวนมากกว่า 3. ส, สัตว์ที่มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นเหมือนคนหนวกคนใบสามารถรู้เนื้อความแห่งคำสุภาษิตและทุกภาษิตได้มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่มีปัญญาโง่เขลาเป็นเหมือนคนหนกคนใบไม่สามารถรู้เนื้อความแห่งคาสุภาษิตและทุพภาษิตได มีจำนวนมากกว่าสสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจากสุขอย่างประเสริฐมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชารุ่มหลงมีจำนวนมากกว่า 5. าสัตว์ที่ได้เห็นตถาคตมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้เห็นตถาคตมีจำนวนมากกว่า 6. สัตว์ที่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้มีจานวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้มีจํานวนมากกว่า 7. สัตว์ที่ฟังธรรมแล้วทรงจําไว้ได้มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ฟังธรรมแล้วทรงจําไว้ไม่ได้มีจํานวนมากกว่า 8. สัตว์ที่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจําไว้มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่ตนทรงจําไว้มีจํานวนมากกว่า เสัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่รู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแต่ไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมีจํานวนมากกว่า 10. สัตว์ที่สลดใจในเหตุอันควรสลดใจมีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่สลดใจในเหตุอันควรสลดใจมีจํานวนมากกว่า11 สัตว์ที่สลดใจทำความเพียงโดยแยบคายมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่สลดใจไม่ทำความเพียงโดยแยบคายมีจำนวนมากกว่าส2สัตว์ที่ทานิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคัตตาจิตจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ทานิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วไม่ได้สมาธิไม่ได้เอกขตตาจิตมีจานวนมากกว่า 13. สัตว์ที่ได้ข้าวอันเลิศและรถอันเลิศมีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้ข้าวอันเลิศและรถอันเลิศยังชีพด้วยการสแสวงหาด้วยพัดที่ใส่กระเบื้องมามีจํานวนมากกว่า 14. สัตว์ที่ได้อัติรสธรรมรสและวิมุติรสมีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่ได้อัติรสธรรมรสและวิมุติรสมีจํานวนมากกว่าเพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจากเป็นผู้ได้อัตตวรสธรรมรสและวิมุติรสเธอทั้งหลายพึงสำเนีกอย่างนี้แล 15-17 ในชมพูทวีปนี้สวนอันน่ารื่นรมป่าอันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมสะโบคารณีอันน่ารื่นรมมีจำนวนน้อยนักส่วนสถานที่ที่เป็นที่ดอนที่ลุ่มที่มีน้ำหลาก ที่มีตอไม้และน้ำที่มีภูเขาสูงชันลาดต่ามีจำนวนมากกว่าแม้ชันใดสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยแดนเปรตมีจำนวนมากกว่าชั้นนั้นเหมือนกัน แ, แล18สิถึงี่สิบ สัต์ที่จุติจากมนุษย <led> ์ไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 21-23 ถึงสสัตว์ที่จุติจากเทวดากลับมาเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกและถึง เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 24-26 สถึงสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 27-29 ถึง สัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า3 0มสถึงสามสสองสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในนรกและถึงเกิดในกาเนิดสัตว์เดรัจฉาน เกิดในเปรตวิสัยมีจํานวนมากกว่า3 3มสสถึงสาสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในเปรตวิสัยมีจํานวนมากกว่า3 6มสถึงสา สัตย์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรชานไปเกิดในหมู่เทวดามีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกําเนิดสัตว์เดรชาญไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกําเนิดสัตว์เดรชาญเกิดในเปรตวิสัยมีจํานวนมากกว่า3 9มสถึงสีสัตว์ที่จุติจากเราปเกนนรตวิสัยมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจํานวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากปเปรตวิสัยไปเกิดในนรก ละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรชานเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่า 42-44 สถึงสสัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเปรตวิสัยไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรชาญเกิดในเปรตวิสัยมีจำนวนมากกว่าจจตุทวักจบ ชัมผูทีปะเปยยานจบ 17. ปเภาษาทักระธรรมวัรหมวดว่าด้วยธรรมที่ทำให้เกิดความเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัด ความเป็นผู้ถือเที่ยวบินธบาเป็นวัดความเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดความเป็นผู้ทรงไตรจีวอนเป็นวัดความเป็นธรรมกระถึกความเป็นวินัยทรความเป็นพหูสูรความเป็นผู้มั่นคงความถึงพร้อมด้วยอากัปกิริยาความถึงพร้อมด้วยบริวารที่ดีความเป็นผู้มีบริวารมากความเป็นกุลบุตรความเป็นผู้มีรูปผิวพรรณงาม ความเป็นผู้เจราจาไพเราะความเป็นผู้มักน้อยความเป็นผู้มีอาพาธน้อยทั้งหมดนี้เป็นชื่อเรียกลาบนั่นเองภาษาทกรณธรรมวัรคที่17จจบ ประอัชราสังคาตะวักหมวดว่าด้วยพ้นแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียวอีกหมวดหนึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญปฐมฌานแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของาศาสดาปฏิบัติตามโอวาทชั้นบินทบาทของชาวบ้านอย่างไม่สูญเปล่า ไม่จําเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทําให้มากซึ่งปฐมฌานนั้นสองถึง8ถ้าภิกษุเจริญทุติยฌานแม่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเจริญตติยฌานเจริญจตุทัฌานเจริญเมตตาเจโตวิมุตติเจริญกรุณาเจโตวิมุตติเจริญมุทิตาเจโตวิมุตติเจริญอุเบกขาเจโตวิมุตติ9ถึงสิสอง ภิกษุก EN, Ad, กษพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกาจัดอภิชาและทโทมนัสในโลกได้ละถึงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพึงกาจัดอภิชาและทโทมนัสในโลกได้ 13บสาถึงสิบหกษุสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นภิกษุสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุสร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อทำกรศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภิกษุสร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียนประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งคุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว 17-20 ภิกษุเจริญอิธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานนสังขาร เจริญอิทิบาที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทิบาที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขาร 21-25 ถึงิกษุพิเจริญสัตทินสีเจริญวิริยินสีเจริญสัตทินสีเจริญสมาทินสีเจริญปัญยินสี 2 6่ิกถึงิพิกษุเจริญศรัทธาภละเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละ 31- 37ถึงิพิกษุเจริญสติสัมโพชฌงเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเจริญวิริยะสัมโพชฌงเจริญปีติสัมโพชฌงเจริญปัสสธิสัมโพชฌง เจริญสมาธิสัมโพชฌงเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์าสถึง 38-45 ิพิสูเจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิ46 ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้รูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น 47. ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้รูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น48ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในเห็นรูปภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีถือครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเร า, เรารู้เราเห็น49ภิกษุุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจําได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น50ภิกษุผู้มีความจําได้หมายรู้อารูปภายในเห็นรูปภายนอกเขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจําได้หมายรู้อย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็ น, น, ห, นห้นากหิกอ็ดุสุผู้มีความจำได้หมายรู้อ ร, รูปภายในเห็นรูปภายนอกเหลืองมีสีเหลืองเปรียบเรื่องของเหลืองมีสีเหลืองเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นห้าสิบสองุสุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายใน เห็นรูปภายนอกแดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น53ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อารูปภายในเห็นรูปภายนอกขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มเธอครอบงำรูปเหล่านั้นได้ มีความจำได้หมายรู้อย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น54ภิกษุผู้มีรูปฌปานเป็นอารมณ์ย่อมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได้ห5ภิกษุผู้มีความจำได้หมายรู้อรูปภายในย่อมเห็นรูปภายนอกทั้งหลายได้56ิกภิกษุเป็นผู้น้อมใจไปว่างามเท่านั้น57 ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดถึงนานาตัสัญญาโดยประการทั้งปวง 58. ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ ห้าิกษุล่วงวิญญาณัญญาตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไร60ภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ 61. ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวง บรรลุสัญญาเวทยินิโรธสมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนาอยู่62อถึงเจ็1ิภิกษุเจริญปัทวีคสินเจริญอาโปคสินเจริญเตโชคสินเจริญวายโยคสินเจริญนีละคสินเจริญปีตะคสินเจริญโลหิตตะคสินเจริญโอทาตะคสิน เจริญอากาสกสินเจริญวิญญาณกสินเจ็ดสิบสองถึงแปดสิบเุเจริญอสุภสัญญาเจริญมรณสัญญาเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญสัพพะโลเกอนัพิรตสัญญาเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนิเจทุขสัญญาเจริญทุกเขอนัตตสัญญาเจริญปหานสัญญา เจริญวิราคสัญญาเจริญนิโรธสัญญา8 2ดสถึงเก้ิบเพิสุเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนัตตสัญญาเจริญมรณสัญญาเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญาเจริญสัพพโลเกอนันิรตสัญญาเจริญอธิกะสัญญาเจริญปุลักกะสัญญาเจริญวินีลกะสัญญา เจริญวิชิตกะสัญญาเจริญอุทุมาตกะสัญญา9 2้าิบสถึงร้อยหนึุเจริญพุทธานุสติเจริญธรรมานุสติเจริญสังขานุสติเจริญศีลานุสติเจริญจาคานุสติเจริญเทวตานุสติเจริญอาณาปานสติเจริญมรณสติเจริญกายกตาสติ เจริญอุปัสมานุสติร้อยถึงร้อยิกษุเจริญสัตทินสี่ที่ประกอบด้วยปฐมฌานเจริญวิริยินสี่เจริญสตทินรี่เจริญสมาทินสี่เจริญปัญญินสี่เจริญสัทธาภละเจริญวิริยะภละเจริญสติภละเจริญสมาธิภละเจริญปัญญาภละ 12-181 สิกษุเถึงริญเิสสัตทินสีที่ประกอบด้วยทุติยชาญละถึงที่ประกอบด้วยตติยชาญที่ประกอบด้วยจตุทชาญที่ประกอบด้วยเมตตาที่ประกอบด้วยกรุณาที่ประกอบด้วยมุติตาที่ประกอบด้วยอุเบกขาเจริญวิริยินรี่เจริญสัตทินรี่เจริญสมาทินรี์ จเจริญปัญญนสี่จเจริญศรัทธาภล ะ, จะเจริญวิริยะภล ะ, จะเจริญสติพล ะ, จะเจริญสมาธิพล ะ, จะเจริญปัญญาภละภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อยู่ไม่ห่างจากฌานทำตามคำสอนของศาสดาปฏิบัติตามโอวาทชั้นบินทบาทองชาวบ้านอย่างไม่สูนเปล่า ไม่จำเป็นต้องพูดถึงภิกษุผู้ทำให้มากซึ่งปัญญาภละที่ประกอบด้วยโอเบขาอาประอัชาราสังคาตะวักที่18จบ 19. กายคตาสติวัก หมวดว่าด้วยผลแห่งการเจริญกายคตาสติหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งได้เจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาย่อมเป็นภาวนาที่ย่างลงในจิตของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้ว แม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้น2ถึง8ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติและสัมปชัญญะเพื่อได้ยานทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวิมุต ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเอกนี้แหลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสังเวทใหญ่เพื่อประโยชน์ใหญ่เพื่อทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะใหญ่เพื่อสติและสัมปชัญญะเพื่อได้ยานทัศนะเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลแห่งวิชาและวีมุต 9. เมื um galaxies, player, ่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกและวิจารณ์ก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายกตาสติเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบ แม่วิตกและวิจารก็สงบธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญเต็มที่10เมื่อธรรมอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายกตาสติเมื่อธรรมอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทาให้มากแล้ว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 กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูรยิ่งขึ้นสิบสองเมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นย่อมละอศมิมานะได้อนุสัยย่อมถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยดได้ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายกตาสติ เมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาได้วิชาเกิดขึ้นย่อมละอสมิมาณะได้อนุัยถึงความถอนขึ้นย่อมละสังโยดได้1 3ถึง14ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุบาธาปรินิพาน ทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาเพื่ออนุปาธาปรินิพาน 15-17 เมื่อทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งาธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจ่มแจ้งาธาตุที่แตกต่างกัน มีความแตกชานในธาตุหลายชนิดทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติมเมื่อทำอันเป็นเอกนี้แลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุหลายชนิดมีความเข้าใจแจ่มแจ้งธาตุที่แตกต่างกันมีความแตกชานในธาตุหลายชนิด 18-21 ทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลทำอันเป็นเอกคืออะไรคือกายคตาสติทำอันเป็นเ อ, อ, อ, อ ก, กอ น, เ น, เอนี้แหลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผล ยี3 7บสองถึงสามสิบเจดทำอันเป็นเอกที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเพื่อความไพยบูนแห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื <ymph acam uesto> ่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบู์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญา <ใน S 1> ลุ่มลึกเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง เพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไวเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาราเริงเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคล่องแคล่วเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมและเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสธรรมอันเป็นเอกคืออะไรคือกายกตาสติ ทำอันเป็นเอกนี้แหลที่บุคคลได้เจริญทำให้มากแลว้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ป soils, ัญญาเพื่อความเจริญแห่งปัญญาเพื่อความไพ่บู์แห่งปัญญาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพ่บู์เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลุ่มลึกเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวาง